بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى ล ل ه وصحبه ล ج م ع م م إن أن م ي ن سبحانك لا علم لنا ซ ل ا ما علمتنا ฮ ن ك ั ن ت ا ل ع ุส م الحكيم رب ลอฮฺอัลลอฮ ي ุสซาลฺลั พัล ل, ل ق ق ูลูกเดตมิล ي สา ا, ا ل ี ل ั่วคำวิ่ ف อัลลอ ا ์ม م นฟะง ل าบิมาล ن มต์นาัลลิบนาไม่ฟะงนาวซิ ن นาอิล์มะรับนาอัลลัมนาอัน ن ุสนาวออิลัมท์ ن ร์ลนาท์ ا ับนาลนาคุนนาบิมัลข้าสินรับนาอัตนาบิดุนยาพัสนะบ แล ب วอัลลอฮ نا ومنكم صالح الأعمال ยร عيد الفطر อัลลอฮ سبحانه وتعالى ได้ร um, ับฟบุล عمل ฟันดีต่างๆงาน صالح ทุกๆปีงานที่เราได้ทาในช่วงเดือน ر ม ض ا ن ที่ผ่านมาทั้งหมดอามนย ا รับบัล ل าเลวันนี้ต้องขอไปลงหน้านะครับเสียงอาจจะใช้ได้ประมาณนี้ ถ้ามีอะไรขัดข้องก็เลยค่อยว่ากันอัลฮัมดุลิละนะครับเราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับทุกๆคืนวันศุกรนะ์วันพฤหัสวันศุกร์คืนวันศุกร์พฤหัสข้ามลงใช่ไหมก็เรียกแบบ น, นี้ใช่ไหมกับการมานั่งเรียนทัศซีศของเรา ه, ه อัลฮัมดุลิละอัลฮะเดตัวฟิกรู้ชูครตอัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอัล นะครับหลัง رمضان ที่ผ่านมาเราก็ได้อยู่กับอัลกุรอานได้ใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานนะช่วง ر م ض อ ن ที่ผ่านมาอม ض ا ن ผ่านไปเราก็กลับมาอยู่กับอัลกุรอานอีกครั้งหนึ่งเพราะนี้คือสิ่งที่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดไปใครที่อยู่กับอัลกุรอานในโลกดุนีย์อัลกุรอานก็จะอยู่กับเขาหลังจากที่เขาจากดุนีย์นี้ไป อินชาอัลลอ์เราหวังว ah ่าเราจะเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่จะไม่เหงาในวันที่เราต้องอยู่คนเดียวเพราะเรามีอัลกุรอานเป็นเพื่อนอาเมนอัลลอฮฺอลอาลัมินอินชาอัลลอฮฺสุบฮานาวาตัลาเริ่มสุร่าไม่นะครับสุร่าตัวซัดสุร่าซัดมปแล้ว นี่เราขึ้นสุราใหม่ชีตใหม่สุราตัวซับฟนงสุราที่อยูอ่หลังจากสุรายาซีนเดี๋ยวผมต้องบอกล่วงหน้าเลยนะครับว่าสุรายาซีนเนี่ยเราอาจจะต้องข้ามไปเนื่องจากว่าเราเคยตั็บชีตสุรายาซีนที่อีกแห่งหนึ่งมัสยิดอิสลาอุดีนไปแล้วเคยอ่านสุรายาซีนไปแล้วเคยตั็บีตไปแล้วนะครับแต่ดับบไปแล้ว ก็เลยกลัวจะซ้ากันเพราะฉะนั้นจบสุรทูซอฟฟาเราก็อาจจะต้องไปที่สุรก่อนยาซีนนะฮะอาจจะเป็นสุฟาตหรือสุรซาบะบอกไว้ก่อนอินชาอัลลอฮุละ تعالى เามาเปิดดูก่อนนะครับวันนี้ซออัลซอฟฟาอันสักศีะอายะห์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 والصفات صفّة فالزاجرات زجرا فالتاليات ذ ك ر ا อินนัอิลล่าฮฺคุมลาวะฮิดรับบุลสําเมาต์แَ ا อัลอาร์ตีว์และมั้บเอนะห์มาวะรับบุลมะชาริ الحمد لله ฮะ آياته ฮะพระวารามีน ah ักดิมักสักหนึ่งนะครับซูรุตอัลซอฟัดเป็นซูรุห์มักกิยามีทั้งหมดหนึ่งรอยแปสบสองอายัดความหมายโดยสรุปของซูรุห์นี้นะครับซูรุห์มักกิยาคือซูรุห์อะไรมักกยนะครับมักกยมดนีอาทบทวนความรู้เก่า Surah m a k k i y a h ke tu Surah itu kredalung mah di Mekah, lek. Kauan uh, ti tan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh payob payang Madinah. Nenon wa Surah m a k k i y a h ni, walaikum. Al Quran dua nenglem ni, kau rapet. Kau tarai nih ciri Surah. Mee Surah Al Fatihah, Surah Al Baqarah, Surah Al Imran, jen kroh 114 Surah ni. ในสารบัญอัลกุรอานนี่เขาจะเขียนไว้เลยข้างหลังอย่างเช่นอัลบากราะเขาก็จะเขียนว่ามาดานียะอัลไอมราะมาดานียะจะไหมครับแล้วมันก็จะมีมัตกียะมาดนียะมัตกียะมาดานียะเรียกว่าแบ่งสุราะตามช่วงเวลาของการประทานลงมาสุราะมัตกียะก็คือถูกประทานลงมาก่อนที่จะมีการอพยพฮิจราะของขันนบีทั้งหมด เรียกว่าสุราหมักกี้ย์ครัเป็นสุราที่ถูกประทานลงมาหลังจากอพยพไปมาดีนาแล้วเราเรียกว่าสุรามาดานีย์เมื่อสุรนาหนั้นจะถูกประทานที่มักกะก็ตาบแต่ว่าถูกประท่านลงมาหลังจากอิจรอไปแล้วนะอาจจะไม่ได้ลงที่มาดีนาอาจจนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอฮออกไว้ไหน่อยวิก <laughs> ช่วยหน่อย <c oughs> หมดมาเต็มเลยเนี่ยเป็นน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งอยู่อ่ะออกไปไนนะมามาเร็วมากเลยมาจากไหนกันออกมาจากออกมาจากั้นอ่าอัลลอฮฺาาไปมนักรูกของอัลลอฮฺ ت ع ا นะครับอาศัยอยู่ในบ้านของเราส ب ح ا ن الله แ ล, ล้สูราเมตานียะ ถูกประทานลงมาหลังจากการอพยพแม้ว่าจะไม่ใช่ลงมาที่มดีนนะก็ตามเพราะฉะนั้นนะสุระอัลซอฟัดเป็นสุระที่ถูกประทานลงมาก่อนการอพยพเราจึงเรียกมันว่าสุระทุสุระทุมักกียะเนื้อหาของสุระเนี่ยส่วนใหญ่ประเด็นหลักของสุระเลย ก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาการตาวฮิดต่อ Allah Subhanahu wa Taala รากฐานของความศรัทธารากฐานในเรื่องของการตักตรีรุลอาคิดะซึ่งเป็นแนวของสุลตัมกิยะอยู่แล้วปกติแล้วสุลต์ที่ถูกประทาลงมาก่อนการอพยพของท่านนบีสุลตัลลก็จะเน้นประเด็นเรื่องความศรัทธาประเด็นเรื่องอัคคิดะ ประเด็นเรื่องคุณลักษณะของอัลลอสุบฮานวะตะลการฟื้นคืนชีพในวันเพียมะและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือสุร้อนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอัลซอฟฟเอามาจากไหนเอามาจากอายัดแรกเลยวัสซัฟฟาตอฟฟาอ่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันมาจะเราจะมาอ่านกันนะครับ Allah سبحانه وتعالى เริ่มต้นสุรุ ah ่ยด้วยการสาบานและตัววาวเนี่ยเราเรียกว่าวาวุลคำซึ่งเคยผ่านมาแล้วนะครับลายสุรุ่ยเรียกันว่านานีแลัลกัรีัลฟาจีรีแอัลดูฮะอะไรที่เริ่มด้วยวาวาวาวต้นสุรุ่ยเนี่ยก็คือการสาบาน ทุกครั้งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل ى สาบานขึ้นต้นโดยการสาบานในสุรษห์ต่างๆนะจำเอาไว้เลยว่าต้องมีเรื่องราวยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังพระองค์ไม่ใช้การสาบานนอกจากจะบอกเรื่องราวที่มันสำคัญกับเราถ้าไม่สำคัญนะเราเรียกว่าอัจคนะีการตกักคีการยืนยันการเน้นยำ้ำด้วยการสาบานเนี่ย พรเราลองจินตนาการถึงพวกเราเองเวลาที่เราบอกอะไรใครอะ่ะนะถ้าเป็นเรื่องที่แบบอยากจะบอกให้ว่าเนี่ยมันเป็นความจริงน้ําเสียงเราเป็นยังไงนะบอกธรรมดาธรรมดาได้ไหมอยากจริงนะมันถึงขั้นสาบานเลยก็มีปกติแล้วเวลาที่มนุษย์สาบานเนี่ยเอาพวกเราก่อนคนอาหรับตั้งไว้ที่หนึ่งคนอาหรับมีสาบานเขาเนี่ยเป็นเรื่องปกติมาก จนกระทั่งบางครั้งสาบานเยอะจนเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมใช่ไมตั้งแต่เวลาไปมักกะและก็ต่อรองราคานี่ยบอกถูกแล้วถูกแล้ววันร้อยวันลอยวันล้อยวันหนึ่งได้เป็นร้อยเลยนะเขาเนี่ยเป็นพวกที่ชอบสาบานจนกระทั่งบางทีก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแต่โดยหลักการก็คือเราจะไม่ใช้คำสาบานนอกจากว่า จะต้องมีเร anyway. ื่องสาคัญที่เราต้องการจะยืนยันอัลกุรอานอลกิรมสังเกตดูให้ดีทุกครั้งที่มีการสาบานอัลล์ะมีสาบานก็จะต้องมีการสนองการสาบานอัลกัสมาจบฮูในภาษาอับดับในเรื่องของวิชาณูเนี่ยก็บอกว่ามีกัสมก็จะต้องมีจาวบุลกัสม มีการสาบานก็จะต้องมีการสนองการสาบานสาบานเพื่ออะไรอยู่ดีจะสาบานทําไมทําเพื่อไม่ได้นะครับเวลาสาบานนี่จะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญเท่านั้นลองกลับไปดูลองไปเช็คแต่ละสุรักษ์ที่มีการสาบานแล้วจะรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยกตัวอย่างสักหนึ่งสุรักษ์ที่เราจํากันง่ายๆสุรักษ์ที่เราอ่านกันตลอดอะ สุรหรดีที่เริ่มต้นด้วยการสบานวัลวัลอสรวัลอสรดีอัลตลกสบานว่าวัลอสรขอสาบานด้วยการเวลาแค่คำเดียวเนี่ยวัลอสรเดียวเนี่ยอล์อธิบายได้ยืดยาวเลยทาไมต้องสาบานด้วยวัลอสรีทำไมต้องสาบานด้วยการเวลาเวลามันสาคัญกับชีวิตมนุษย์ขนาดไหน เวลาก็ค well, In ah ือชีวิตชีวิตก็คือมาเราไม่อธิบายสุราตุลาศรีแต่จะบอกว่าลักษาะกรรมมันจะอธิบายเรื่องที่มันยิ่งใหญ่และพระองค์ก็สนองการสาบานนั้นด้วยอินน์ลอินซานะต์ฟิฮุสรในอายัดนี้ในสุราอัลซัฟฟัะตัลาสาบานด้วยใครครับวัฟติฟขอสาบานด้วยบรรดาผู้คนด้วยบรรดาผู้ที่เข้าแถวตามลาดับ อัลลมะตาสีนบอกว่าบรรดาผู้ที่เข้าแถวเหล่านี้ก็คือบรรดามาละอิกะนั่นเองสาบานด้วยมาละอิกะนะคุณลักษณะของมาละอิกะก็คือเข้าแถวเป็นเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะบรรดามาละอิกะโดยเฉาจาอัิบายเพิ่มเติมจากอัติษฐานของนบีสุลลอานนะบิสแล้วมาละอิกะเนี่ยเขาบอกว่า ในตัเสียบอกว่ามาละอิกักเนี่ยเวลาที่รอรับคำสั่งของอัลลอฮ์จะไม่ได้อยู่สเปะสปะนะจะพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นแถวแถวรอรับคำสั่งจากอัลล์สุบฮานาลอหรือแม้กระทั่งในการละหมาดมี hadis เชาย ง, งานจากอิมามุสลิมซึ่งอิมนุกะซิดได้เอามาในการตัเซียของท่านาท่านบอกว่ายังไง ท่านนบีส ah, ul ัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลล am, ัมผ่าน hadis จากฮุซัยฟะรับียัลลอฮุะะน่ากล่าวราซูล์ละห์ซัลลัลลฮอะลี์วะซัลลัมทั้่ด์ดะละน์ณะน์ณะนะนะะะนะะะน ยังไงบ้างอันที่หนึ่งสามประการอันที่หนึ่งยเอลัต ส, สุฟูฟูนาคาสุฟูฟิลมาลาอิกะลอตตะละกาหนดบทบัญญัติให้เราตั้งแถวเวลาละหมาดเนี่ยเหมือนกับที่มาลาอิกะตั้งแถวมาชาอัลลอฮฺสวยงามไหมครับเวลาที่เรามาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเราเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไม่ได้ละหมาดว่ามุมนั้นคนหนึ่งมุมนี้คนนึ่งไม่ได้ นะต้องมีอิหมำมนำละหมาดหนึ่งคนแล้วต้องมีมัทมุมเป็นแถวทีละแถวทีละแถวนี่แค่มัส jid เราไม่กี่แถวนะถ้าอยากจะดูความยิ่งใหญ่ของการละหมาดเป็นแถวนี่ไปดูที่ไหนไปดูที่มัต ก, กะสุบฮานัลอ์กี่นาทีเขาจัดแถวอตอนที่เขากำมกัท่ิใช้เวลากี่นาทีในการจัดแถวคนเป็นล้านอะ่ะสุบฮานัลอ์ ถ all ah, um so, ึงนาทีถึงไหม س ุ ح อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ทได้ยังไงโดยอัตโนมัติเลยนะคัอกติลาอีติโลาไอ้ที่ตาวอยู่ไอ้กินน้ำจหยับทุกคนมาปรึออิมามเรา่ซ์อันอัลฮัมดุลิลลาฮ์รับบิลอัลามนี่ะสวยงามมากนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับอุมมะของท่านนบี มุฮัมมัดสุลต่านสัลลัมไอคัตก ah, ah ็เหมือนกันแสดงว่าเราเวลาที่เราละหมาดเนี่ยมีความเหมือนกันกับแถวของมุลอักคัตเพราะฉะนั้นทําให้แถวของเราเนี่ยให้ดีที่สุดอ่าทํายังไงให้แถวของเราให้ดีที่สุดนะมีอีกฮะดิษหนึ่งเป็นฮะดิษจากจาเบร์เบนซามูรห์นะเป็นฮะดีษสิเรียงจากอิมามมุสลิมแล้วก็ท่านอื่นๆ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ت س ف و ن كما ت س ف الملائكة عند ربهم ท ل ن น ي บีบอกกับบรรดาษะบ่าวว่าพวกเจ้าอยากจะเข้าแถวเหมือนกับมล ائ ิกันเข้าแถวตอนหน้าอัลลอฮ์ไหมอัลลอฮ์ว่านะพิเศษมากเข้าแถวเหมือนมล ا ิกันนะซฮบับก็ถามท่านนบีอย่างจรู ว่าไคฟตซุฟุลมาเลิกะตัว عند รับหิมมาเลิกะเข้าแถวยังไงอรัเราอยากจะรู้ไหมมาเลิกะเข้าแถวยังไงเราจะได้เข้าแถวเหมือนให้มาเลิกะเลยเพราะท่านน่ะมีบอกว่าให้เข้าแถวเหมือนมาลิกะเข้าแถวข้ารัสลัลลอฮอลัยฮสัลลัมยุติมุ ا ل ص ف ا ت ق د م ه ว่าเขาจะพยายามจะให้เต็มแถวแรกก่อนอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าแถวละหมาด นั่นแหละที่ต้องถามว่าเอา้านี่ยังไม่เต็มนะยังมียังมีช่องอยู่ให้เข้ามาให้เต็มอย่าปล่อยให้มันว่ า, ายูติมูนอซุฟูฟัลอวลให้เต็มแถวแร ก, ก่อนววยาตาราซูนแถวสัตว์และเข้าแถวแบบชิดเท้าอ่าอันนี้เราต้องทบทวนเรื่องนี้หน่อยหนะึ่งเวลาเราเข้าแถวในการละหมาเนี่ยเท้าของเราชิดกับเพื่อนไหม เขาแถวที่ถูกต้องนี่เขาบอกว่าให้ดูให้ดูปลายเท้าหรือให้ดูส้นเท้าเวลาใช้เวลาใช้เส้นเนี่ยใช้เส้นหน้าหรือเส้นหลังเส้นปลายเท้าหรือว่าเส้นส้นเท้าที่ถูกต้องอ่าต้องดูเส้นส้นเท้าให้มันตรงกันสมมตินี่มันเป็นเส้นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราวางเท้าเนี่ยเราต้องเอาส้นมาเป็น เป็นเกณฑ์บางคนชอบเอาเอาปลายมาเป็นเกณฑ์มันก็ไม่ตรงกันนะครับและให้ชิดเท้าทํำยังไงดีให้เราได้เพราะว่าถ้าหากไม่ชิดกันเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้มาตรฐานตามซอฟต์ของของมาแล้วอี ก, ก น, นะครับอาจจะเป็นซอฟต์ของชัตอนเพราะมีฮะดิษอื่นที่บอกว่าถ้าสมมติยังมีช่องว่างอยู่เนี่ยอะไรจะมาอยู่ชัตอนจะมาอยู่ นั่นแหละนะครับที่ละหมาดของเราไม่ค่อยโคเช่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้เข้าแถวให้ดีนะครับนีท่านนาบีสุลต ล, ล, ลานสอนบรรดาสาวบาะของท่านว่าเวลาเข้าแถวเนี่ยให้เข้าแถวเหมือนกับบรรดามาละอิกะนะเพราะฉะนั้นบรรดามาละอิกะนี่จะเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทําอิบาตดาาะต่ออัลลอฮ์อันที่หนึ่งในการทําอิบาดาาะต่ออัลลอฮ์อันที่สอง Negan Rob, si cara Kamusang. Wah Allah taklah cahai kam arai. Nah, sufuran asy-Syadibah, wahai yangai, sufuran di khidmati Rabbihim. Autahoun negan si cara Rabb Kamusang. Jadi Allah Subhanahu wa Taala. Insya Allah. Antisang ayat a s a n g fuz. ยังอยู่ในการสาบานนะครับแต่ว่าอายักท ja, ี่สองนี้ไม่ใช่วาวแล้วสังเกตให้ดีมีความหมายหมดเลยไม่ใช่วาวแล้วแต่ยังเป็นการสาบานอยู่ใช้ฟาแทนเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังอัซาจรอตซจรอัซจรคำว่าอัลซาจรเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงการเตือน การห้าหรือการแต่ยกตัวอย่างยังไงดีเวลาคนเลี้ยงแพะเวลาคนเลี้ยงวัวเยอะๆในฟาร์มอ่ะแล้วเราจะไล่แพะไล่วัวเราจะต้องใช้เสียงไหมเสียงไล่แพะเนี่ยก็เรียกว่าอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงไล่ฮะลยใช่ไหมต้อนอซ z จ r e ก็คือการไล่การต้อนมีการทำซีด ส, สองแบบนะครับบางคนบอกว่า azure ตรงนี้ ก็คือมาลาิกัสที่คอยห้ามไม่ให้มนุษย์ทำความชั่วเจจัการที่มาลาิกัะคอยห้ามมนุษย์ไม่ให้ทำาัทยะต่ออัลลอฮฺ س ب ح า ن ه และในขณะที่บางความเห็นก็มีความเห็นว่าเจจัจ์ตรงนี้ก็คือการที่มาลาอิกัสคอยไล่ต้อนก้อนเมฆเพื่อให้น้ำฝนตกในสถานที่ที่ พระองค์ a سبحانه แะ تعالى ประสงค์จะให้มีน้าฝนก็ไปต้อนก้อนเมฆก็เป็นหน้าที่ของบรรดามลออิัดเช่นเดียวกันนี่คือความหมายของคาว่า z a r a t i زجارة ใช้คาว่า ف ะแต่ยังเป็นการสาบานอยู่นะเป็นการอตฟในการสาบานคนลักษณะที่สามของบรรดามลออิัดเหล่านี้ f a และขอสาบานด้วยมาลาอีกคที่อ่านอัจจะลียหมถึงมาจากคำว่าอล่าวะลาวะก็คือการอ่านซิกรอ์ก็คืออัลกุรอานหรือวา حي จากอัลลอฮซุบฮานะฮวะตะอลฟัตตลียตซิกร ท่านสุดล่าวยี้นบาน์มันกันเาหีเนสาอหล่านี้นำคัมภีร์นอัลควรวานจากอัลลอฮ์มาอ่านให้กับนบีนบีก็รับอัลควรวานรับขรคัมภีนั้นจากมาเลกตแล้วก็ไปอ่านต่อให้กับผุ้คนให้กับประชาชาติของท่านน้องครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ เราแตาลาใช้คำว่านะแต่ละตัวเนี่ยขั้นกลางด้วยคำว่าฟมันยังมีเสียงอยู่การใช้คำว่าฟฝะในทฤษฎีบอกว่าอย่างไงเสียงยังเสีย ง, งเหมือนเสียงอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ต้องดังมากก็ได้ครับ والترتيب بالفائ في هذه الصفات على سبيل الترقي นี่เป็นความลับที่อัลลอฮฺใช้ฟะฟะฟะตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์ใช้ในการไล่ระดับจากระดับล่างไปสู่ระดับสูงระดับล่างเหมือนมันขั้นบันไดฟะกิลัขั้นทีละกขั้นทีละขั้น ยังไงคุณลักษณะอันที ek, ่หนึ่งเนี่ยวซาฟาที่ซาฟ่านี่เป็นคุณลักษณะของมลออิกับที่กําลังเข้าแถวทําอิบัตต์ต่อล l l a h سبحانه และ تعالى อิซิลโอละคัมมัอันแรกเนี่ยเข้าแถวเนี่ยเป็นคุณลักษณะแห่งความสมบูรณ์ละแต่อันที่สอง สมบูรณ์กว่าเข้าใจไหมครับอัลจาจิราติจาจิราเป็นหน้าที่ที่สมบูรณ์กว่าหน้าที่อันที่หนึ่งและหน้าที่อันที่สามฟาตัลิยาติจิกรอเป็นหน้าที่ที่ดีที่สุดดีกว่าหน้าที่แรกและดีกว่าหน้าที่อันที่สอง เหมือนขั้นบันไดไหมหน้าที่ขั้นแรกของมะล a อ s e g a s ทำอิบาัตาต์ตลอดเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์กับมะล a อ s กะ a s เองไม่ได้เป็นประโยชน์ของคนอื่นแต่พอไปไล่อะไรนะก้อนเมฆให้มีน้ําฝนออกมาอันนี้ประโยชน์ได้กับใครได้กับมนุษย์แสดงว่าเป็นหน้าที่ที่มะล aisegas ะทำให้กับทําให้กับคนอื่น เป็นหน้าที่ที่ประเสริฐกว่าหน้าที่อันที่หนึ่งเพราะไม่ได้จำกัดประโยชน์แก่ตัวเองคนเดียวละแต่ได้สร้างคุณค่าให้กับบัคคลูกอื่นด้วยแต่หน้าที่ที่ดีที่สุดหน้าที่อันที่สองเนี่ยแค่เรื่องริสกีเรื่องน้ำฝนเรื่องปัจจัยในการใช้ชีวิตแต่หน้าที่อันที่สามเนี่ยสาคัญกว่าริสกีสำคัญกว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตคือหน้าที่อะไร หน้าที่ในการ น, ยยานรําวะมภ์ชักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มาให้กับมนุษยชยาติทั้งปวงสุภาพนั่นอหละนี่เป็นการให้มมความหมายของบรรดาของนักัึซีาที่บางทีมันเราเข้าไม่ถึงและต้องอาศัยคนเหล่านี้ในการอธิบายพระตรละลาเริ่มต้นจากหน้าที่แรกๆเลยของมลอาอยกัสก็คือทําอิบาตดัตต่อพระตรละตาลาอยู่ใช้ ไม่ใช่อยู่เฉยๆก็คือทําอิบาดักทำอิบาดักเหมือนเราอะ่ะเราเป็นคนชอบทําอิบาดักถามว่าดีไหมดีแต่จะดีกว่านั้นก็คือทําอิบาดักซึ่งมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วเนี่ยเราต้องทําสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยและสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นสองอย่างประโยชน์ในทางดุน ي ة กับประโยชน์ในทางอัคคีรอ หน้าที่อันที่สองนี่เป็นประโยชน์อะไรอซาจิรอติซาจิรอประโยชน์ในทางดุนยาให้น้าฝนตกตรงนั้นให้รบสกีหล่นตรงนั้นเป็นประโยชน์เกี่ยวกับดุนยาแต่ประโยชน์อันที่สานี่เป็นประโยชน์ดุนยาด้วอาเครอเป็นประโยชน์อาเครอดุนยาด้วยแต่ว่าอาเครอเยอะกว่าเห็นไหมครับไล่ลำดับไล่เรียงลำดับหน้าที่ของมาเลกัดเอาไว้อ ย, ย่างสวยงาม ฟ้าจัก ر าติจักราฟัตตาลียาติจจบการสถาบันนี้สถาปัยทีนี้จะสนองการสาบานด้วยเรื่องราวอะไรที่สาคัญอินนัอีลาฮคุมลวะฮิดนี่แหละคือคำตอบลกษมณนี่คือสิ่งที่ละตัลต้องการบอกกับพวกเรา ถึงขั้นเอามะละอิกัดมาสาบานอัลลอฮ์เอาแบบปกติละตละลาสาบานกับอะไรสาบานกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะซึ่งเป็นบัคลุกของพระองค์เหมือนกันมะละอิกัดเนี่ยกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันไหนสําคัญกว่าถ้าจะเอาจิงอ่าเห็นยังมะละอิกัดสคัญแล้วมะละอิกัดเนี่ยเป็นหนึ่งในจํานวนรุกคนอีมาน 6ประการที่เราจะต้องศรัทธาในจำนวนลูกคนอิม ان, ัลทั้ง6ประการที่เราจะต้องศรัทธาก็คือการศรัทธาต่อมัลาอิกะเพราะฉะนั้นการที่พระองค์เอามัลาอิกัดมาใช้ในการสาบานเรื่องที่พระองค์จะบอกเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและไม่ธรรมดาจริงๆสิ่งที่พระองค์ต้องการจะบอกก็คืออินนัอิลลัคุมละวะฮ์แท้จริงแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้น อิลล่าอิลล่าลาอิลล่าอิลลัลลอฮอิลล่าหมายถึงพระเจ้าอัลฮัมดุลลอฮ์รับบิลกาลามีนรับบก็หมายถึงพระเจ้าเหมือนกันอุลอาอิบิรบบินนสรบบินนสพระเจ้าของมนุษยชาติอิลลินนส พระเจ้าของมนุษยชาติเราแปลว่าพระเจ้าทั้งสองคำเลยอ่ะแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนอ่าจริงๆแล้วเราผ่านกันหมดแล้วนะเรื่องนี้รบหมายถึงพระเจ้าที่มีคุณลักษณะของการเป็นรูบูบิยะพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้ทรงให้ริสกีอะไรที่มาจาก Allah เราเรียกว่ารบ พระองค์ให้กับเราพระองค์ทํากับเราในขณะที่อิละคุณลักษณะแห่งอูลูฮิยาการที่คู่ควรต่อการอิบะดะของเราที่เราจะต้องให้เนี่ยเราจะต้องให้กับใครต้องให้ต่ออิละวะฮิดเท่านั้นเข้าใจหรือย่างครับระหว่างสองคำนี้รับ หมายถึงพระเจ้าในแง่ของการที่อัลลอฮฺสุบานตะลาเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ให้ริสกีเราเป็นผู้ดูแลเราเป็นผู้ให้เรามีชีวิตเป็นผู้ทําทให้เราตายส่วนอีละการที่อัลลอฮฺตะลาเป็นพระเจ้าในแง่ที่ว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์ได้รับการอิบานัดจากเรานอกจากพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่มันควบคู่กันแต่ข้อนี้อัลลอฮฺตะลาเน้นเรื่องอะไร เน้นเรื่องอิลเน้นเรื่องสิ่งที่เราต้องทําให้กับพระองค์อิละหุคุมอินน์อิละห์คุ้มละ واحد เราย้ำด้วยย้ำด้วยอินน์ย้มด้วยละมุตตะกิดอินน์อิละห์คุมละ و ا ح ดมีอินน์ละคุ้มมีลามแล้วก่อนหน้านี้มีการสาบานสามอยะ เดี๋าตัลาเอามายืนยันในประเด็นนี้เพราะฉะนั้นประเด็นนี้สำคัญมากประเด็นเรื่องละอิลลัฮิลลอหเป็นประเด็นคอขาดบาดตายที่มนุษย์ทุกคนทำเล่นเล่นกับมันไม่ได้เราทุกคนไม่สามารถที่จะออกไปจากละอิลลัฮิลลอหได้อินนาอิลลฮกุมลาวาฮิด พระผู้เป็นเจ้าที sa ่คู่ควรแก่การเคารพพักดีอิบัตด์มีเพียงว่าเห็เท่านั้นมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นก็คือองค์มโหสถาธรรมะแลาวทำไมต้องเน้นย้ำอย่างนี้พวกมุชลิกนเคารพอิบัตด์ต่อใครบ้างรับรับกะบะตอนที่ท่านนบีสุลตลานมาถึงตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัด่อนจะเป็นนบีรอบรับกะบะมีรูปปั้นกี่กี่องม์ กี fam, ่ตัวสามร้อยหกสิบนะครบหนึ่งปีเลยแทอิลฮอิลลัเุนเพราะฉะนั้นอาราตต้องเน้นประเด็นนี้อินนอิละฮกุมลาวาพระเจ้าที่พวกเจ้าจะต้องเคารพักดีมีแต่ล l l เท่านั้นอียะค์นะเท่านั้นที่เราจะต้องอิบะและ a l l เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือ อิสติอานะอยู่ในคำว่าอิบดัดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการสนองการสาบานทั้งสามอายัดก่อนหน้านี้ประเด็นนี้เลยอินนาอิละฮะลมลาวิท um ทั้งหมดทั้งอวงนั้นยืนอยู่บนคำปฏิญานี้ลอิลฮ il ะอิลลัมออนเราเกิดมาก็ต้องได้ยินคำนี้เกิดมาครั้งแรกเกิดมาวันแรกวินาทีแรกต้องมีคนอ่านใส่กรอกอู นะอัลลอฮ์ันเสียสิ่อัลลอ์ตันสาอลลอฮ์อัลลอฮตาเราทนาที่เราจะเสียชีวิตก็จะต้องไปมีคนมาช่วยนะครับให้เราเนี่ยกล่าวคาว่าให้ตายกับคาว่าเพราะฉะนั้นสาคัญมากๆนะครับรบบุสมวลอัว่ามาเบนวารบุลมชาร์ริค์ห มีคำว่าอิละแล้วมีคำว่ารับสังเกตต้องแบ่งให้ได้นะเพราะเราต้องสังเกตเพราะว่าคำพวกนี้เนี่ยมันมาบ่อยมากในอัลกุรอานอุลแตริมเวลาที่เราเจอคำว่าอิลให้มันนึกให้เข้าใจเลยในหัวเราว่าอิละนี่หมายถึงพระเจ้าที่เราต้องอิบดะดห์แล้วเวลาที่มีคำว่ารับหมายถึงพระเจ้าผู้ที่ให้เรา ให้ท้องฟ้าให้แผ่นดินสร้างน่นสร้างนี่ให้เราเห็นไหมอายัดนี้ก็อธิบายให้เราเข้าใจแบบนั้นเลยรบบุษมาวาทีวะลอัลลอฮ์ Allah, องอีละที่เราเคารพภักดีเนี่ยคือใครคือรบคือพระเจ้าผู้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินเพราะคุณนลักษณะของผู้ที่จะเป็นอีละผู้ที่ได้รับการเคารพภักดีอิบานะเนี่ย จะต้องมีคุณลักษณะของการเป็นรบด้วยมนุษย์ส่วนใหญ่มนุษย์ที่ชีริกต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺไปเขารับสิ่งอื่นเป็นอีลาห์ถามว่าสิ่งที่พวกเขาเคารพบเป็นอีลาห์เนี่ยเป็นรบด้วยไหมสร้างท้องฟ้าไหมสร้างแผ่นดินไหมให้ชีวิตไหมให้เป็นไหมให้ตายไหม ไม่แล้วทำไมถึงไปเคารพเป็นอเล่นี่แหละคือความย้อนแยง้งความความอะไรเ็าเรียกนะผู้ที่สมควรจะเป็นอเล่คือผู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็นรบับจะเป็นอเล่ต้องเป็นรอบเข้าใจไหมครับจะเป็นพระเจ้าที่ได้รับการเคารพพักดีจากมนุษย์เนี่ย จะต้องเป็นรับพระเจ้าที่ให้ทุกอย่างกับมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปเคารพมักลุกด้วยกันได้อย่างไงในเมื่อมคคลุกด้วยกันเนี่ยไม่ได้ให้อะไรผู้ที่ให้คืออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ผู้ที่เป็นรับก็คืออัลลอ์เพราะฉะนั้นผู้ที่สมควรจะเป็นอิละก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا อยากให้พวกเราเข้าใจสองคำนี้แล้วเราจะเอาไปใช้ได้อย่างรเรีลลยกว่าลื่นไหลนะเข้าใจเข้าใจความหมายของสองคำนี้แยกความหมายของสองคำนี้ได้เนี่ยเวลาเอาไปาทำความเข้าใจกับอายัตต่างๆที่เราเจอเนี่ยเราเข้าใจได้งา่ายเวลาจะรละตะลาพูดถึงคุณลักษณะของการเป็นรบูบี้รอบเนี่ยพระองค์ก็จะพูดถึงท้องฟ้าแผ่นดินเพราะว่า รูปปั้นต่างๆที่บรรดามุชริกีนเคารพบัคดีสร้างฟองฟ้าไหมสร้างแผ่นดินไหมไม่ได้สร้างฟองฟ้าไม่ได้สร้างแผ่นดินแล้วจะไปเคารพบูชาทำไมนะไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นอิละถ้าไม่ใช่เป็นรบรบบุสสุเมวะติว์ลอาร์ว่ามาเบนหูมาวารบม์มชาลิขอัลลอฮ์ตุบฮานะวะเตาะลาผู้ทรงสร้างฟองฟ้าแล้วท้องฟ้ามีอะไรบ้าง ดวงดาวดวงจันทร์จักรวาลทั้งหมดรวมอยู่ในท้องฟ้าหมดก้ลอวกาและแผ่นดินแผ่นดินมีอะไรบ้างก็ทั้งหมดที่เราเห็นในทะเละก็คืออยู่ในแผ่นดินใช้คำว่าแผ่นดินในโลกทั้งหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่แหละคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงที่สมควรจะได้รับการเคารพพักดีจากบ่าวของพระองค์นะครับอย่างแท้จริง วะรับุลมาชาริกอัลลอฮผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทำให้มีทิศ ต, ตะวันออกอัลมาชาริกเนี่ยตรงนี้เนี่ยในภาษาอับในทางภาษาเนี่ยพระองค์ใช้คำเป็นพระหูพ์ตกลงทิศตะวันออกเนี่ยมันมีกี่ทิศมีทิศเดียวหรือมีหลายทิศมีมีกี่ที่อ่ะทิศตะวันออก ตรงนี้เนี่ยใช้พะหูพดผะหูพ์ก็คือมากกว่าสองหนึ่งมันจะมีหนึ่งมีสองแล้วก็มากกว่าสองร บ, บุญมาแชรกพระผู้เป็นเจ้าแห่งทิศตะวันออกทั้งหลายมากกว่าหนึ่งะทิศตะวันออกนี่มีกี่ อ, อา่ะจริงๆแล้วในอัลกุรอานเนี่ ย, เ, ยเวลาที่อัลตัดเลดใช้คำว่าทิศตะวันออกเนี่ยมันมีทั้งหนึ่งสองแล้วก็มากกว่าสอง รับอัลมาชริก์ลัลมากรบวและแม้เบนหนูมากีมีพระผู้เป็นเจ้าแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกใช้่อไหมเนี่ยในสุรัต nah ุรห <eni> ์มานรับอัลมาชริก์อน <es> ีวละรับบุลมากรบ์อนีพระเจ้าแห่งทิศตะวันออกทั้งสองและทิศตะวันตกทั้งสองเอ้าตกลงตะวันออกมีสองเหรอมีสองแล้มีหนึ่ง ต้องย้อนกลับไปฟังตำเสียงสุรเอารักมาเพราเราอธิบายแล้วแล้วตรงนี้พระองค์ใช้คําว่าทิศตะวันออกที่มากกว่าสองอย่างนี้มันมีคําอธิบายนะครับทั้งหมดนี้มีคําอธิบายหมดเลยมันไม่ได้ชนกันมันไม่ได้ค้านกันแต่อย่างใดตอนที่ใช้คําว่ารับบุญมาเชิกเป็นหนึ่งเนี่ยก็คือทั่วไปทิศตะวันออกมีแค่หนึ่งนั่นแหละก็คืออยู่ทางทิศตะวันออกส่วน เวลาที่ใช้คาว่ารับบุลมาชริกัยนรับบุลมาชริกัยหมายถึงอะไรหมายถึงแต่ละฤดูฤดูฤดูฤดูหนาวกับฤดูร้อนสังเกตไหมดวงอาทิตย์มันจะเฉียงไปทางไหนฤดูหนาวดวงอาทิตย์มันจะเฉียงไปทางหนึ่งฤ ด, ดูร้อนดวงอาทิตย์มันจะเฉียงไปทางหนึ่งประหนึ่งว่าการขึ้นของดวงอาทิตย์นั้นมีมีสองจุดใหญ่ นี่คือรั บ, บุลมชฉิีัยสส่วนคำว่ารับบุลม่ยสองดวงอาทิตย์แห่งทิศตะวันออกทั้งหลายมีหลายทับซิรนะ <laughs> มีหลายทับซิรแต่ว่ามีทับซิรหนึ่งบอกว่ายัางไงออ การขึ้นของดวงอาทิตย์สำหรับแต่ละประเทศเนี่ยเวลาเดียวกันไหมแต่ละเมืองสมมุติเอาเราอยู่ตรงนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาเท่าไหร่องนาฬิกาเท่าไหร่บ้านเราประเทศเดียวกันแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นจึงใช้คําว่าแต่ละเมืองแต่ละเมืองมีช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นใช้คําว่าอั m a s h a r i k อทิตตะวันออกที่ทั้งหลายมากกว่าสองแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นต้องการบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮฮวาตาอัลเป็นผู้กำหนดทุกอย่างในมัรุกนี้และเอาการขึ้นของดวงอาทิตย์มาเป็นหนึ่งในจำนวนสัญญาณความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มีความหวังกับดวงอาทิตย์ขึ้นมากกว่าตอน ดวงอาทิตย์ตกอันไหนท okay> ี่เรารู้สึกสดชื่นมากกว่าเวลาไปดูดวงอาทิตย์ตกก็โอเคก็โอเคแต่ว่าพอตกปุ๊บมันมันมืดเลยไม่เหมือนกับตอนที่เราเฝ้าดูอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมเอาเฝ้าเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์จะขึ้นปุ๊เหมือนกับว่าช่วยปลดความมืดมิดของโลกนี้เอามาเป็นเอามาเป็นสัญญษณละในการพูดความพูดถึงความ เพียงไกลความสามารถของพระอ AH ัล์ Allah س ب ح ا ن อัลลอฮ์แตาลาที่จะบอกว่าพระองค์เท่านั้นมีคุณลักษณะแห่งอัลรูบูบีฮ์การเป็นพระเจ้าที่สมควรจะได้รับการเคารพพักนิบดติจากมัคลูกของพระองค์ทั้งปวงหรือคุณลักษณะแห่งอัลอูลูฮีสองอายันี้มันเกี่ยวข้องกันอินนาอิลาห์คุมลาวะฮิด พระผู้เป็นเจ้าที่เราจะต้องเคารพพักดีนั้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้นใครนั่นก็คือรับบุลรับบุสมาวะทิวัลออทิวมาเบนฮูมะวารับบุลมาชาริก ค, คือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินและผู้ทรงสร้างให้มีทิศ ต, ตะวันออกรวมถึงทิศตะวันตกด้วยเพราะมีตะวันตกมันก็ต้องมีตะวันตกนะครับอัลลอฮฺจ่าละเลมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเรื่องเราหน่าสนใจอะไรอีกในซุราะนี้ ั ق ฟัด الله إياكم لما يحب ويرضاه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ع َ الع م َّ ا يَسِيفُونَ س َ ل َ ا م عَلَى ا ل ْ م ُ س َ ل ِ ي ن َ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ س َ ل َ ا م ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت